เพื่อนคนหนึ่งบ้างก็อยู่เชียงใหม่เขาเล่าให้ฟังว่ามีคราวหนึ่งมีทุนละจะลงมากรุงเทพแล้ตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟลงมาจับเอิมีเพื่อนของเขาซึ่งมีเครื่องบินอยู่กําลังจะลงมากรุงเทพเหมือนกัน ก็เลยชวนกันนั่งเครื่องบินส่วนตัวบินจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพนาทีบินมาได้สัก15นาทีก็ปรากฏว่าเครื่องยนต์ติดขัดอยู่ดีๆก็ดับไปอย่างนั้นนะบินอยู่กลางฟ้าแล้วก็เครื่องก็ดับสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติด เมื่อสตาเมติดก็หมายความว่าเครื่องบินก็ต้องตกลงมาตอนนั้นคำถามมีอยู่เพียงแค่ว่าจะให้ลงที่ไหนดีหรือจะให้ตกที่ไหนดีหรือถ้าตกในเมืองก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยก็เลยพยายามบังคับเครื่องบินให้ให้ล่อนแล้วไปตกในป่าเพราะว่าแถวนั้นมีภูเขาเยอะข้างล่างในความรู้สึกของเพื่อนคนนี้เขาบอกเขารู้ว่า ส า, าการเป็นเช่นนี้เขาก็รู้ว่าต้องตายแน่ก็เลยในสภาวะฉชนั้นก็ทำใจยอมรับสภาพและความรู้สึก ข, ของเขาตอนนั้นก็คือว่ามันมีความสงบมากเลยรอบตัวขเขาก็สงบเพราะว่าเครื่องล่อนอยู่กลางอากาศนี่มันไม่มีเสียงเลยสงบมองออกไปรอบตัวก็เห็นท้องฟ้า ข้างล่างก็เป็นทิวทัศน์มีภูเขามีป่าเขาบอกว่ า, าเป็นความรู้สึกที่สงบมากไม่ได้มีความตื่นกลัวตกใจเรื่อยอะไรเลยรอบตัวมันสงบทิแล้วก็ตรึงใจเขาให้สงบไปด้วยไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าใจตอนนั้นอยู่กับทิวทัศน์รอบตัว เป็นความสงบที่เขาไม่เคยพบมาก่อนซึ่งเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะกาลังจะตายอยู่แล้วทําไมถึงไม่ได้มีความตื่นกลัวเลยเพราะตอนนั้นใจก็ยอมรับสภาพแล้วแล้วขณะที่เครื่องกำลังล่องลงลงมาเรื่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆก็ปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นคนขับเจ้าของเครื่องบินเขาก็เพื่อนสตาร์ทเครื่องได้ติดไม่รู้มันติดได้ยังไง เมื่อสตาร์เครื่องติด ก, ก็เลยตกลงว่ากลับเชียงใหม่ดีกว่ากลับเชียงใหม่ก็ให้ทางเชียงใหม่เตรียมพร้อมเคลียร์ลันเวยเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นเครื่องสภาพไม่ดีแล้วเตรียมรถ ด, ดับเพลิงอะไรต่างๆไว้แล้วก็เครื่องก็ค่อยๆลดระดับลงจนถึงลันเวทุกอย่างก็เรียบร้อยปลอดภัยมาพบที่หลังว่า น้ำมันเข้าเครื่องยนต์คือฝนตกฝนตกไปช่วงหนึ่งน้ำเข้าไปในเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ทําให้สตาร์ทไม่ติดติดขัดก็ต้องซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เป็นชั่วโมงแหละพอหายแล้วก็เพื่อนชวนว่าบินกลับกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งไหมเขาก็เอานะเพราะว่าไม่กลัวไม่กลัวตายอันนี้เขาก็มาไล่ฟัง เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราไม่ใช่บางครั้งก็ บ, บ่อยครั้งคนเราเวลาใกล้ความตายเนี่ยเราจะมีความตื่นกลัวความตื่นกลัว น, ะนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีความยึดความอยากที่จะยืดชีวิตเอาไว้ไม่ยอมทำใจหรือปรับใจให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการขัดขืนฝืนสภาพ ใ้การที่ขัดขืนฝืนสภาพความเป็นจริงไม่ยอมปล่อยวางนั่นเองที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นแต่ว่าเพื่อนคนนี้เ ข, เขาไม่ขัดขืนไม่ฝืนสภาพหรือแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาก็ยอมรับสภาพทาใจพอทาใจว่าต้องตายแน่ๆมันวางหมดเลย ตอนที่ยังไม่ทำใจก็อาจจะยังขัดขืนอยู่แต่พอทำใจแล้วก็ทุกอย่างก็สงบแล้วก็ไม่ใช่แค่สงบธรรมดาเป็นความสงบแบบที่ก็ไม่เคยพบมาก่อนเพราะว่าใจนี้ก็เป็นสมาธิกับบรรยากาศรอบตัวทั้งเสียงทั้งภาพมันนิ่งไปหมด เรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาขับรถไปบนทางด่วนทางด่วนเนี่ยขับรวกันเร็วเสร็จแล้วก็บอกว่าทางข้างหน้านี่มรถติดเป็นแถวเลยเขาเห็นแต่ไกลเขาก็เลยชะลอแต่พอมองไปข้างหลังมองไปทางกระจกหลังางพรากฏมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามา่นด้วยความเร็วสูงมากเลย ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอพอรถของเขาไปจอดอยู่กับรถข้างหน้ารถข้างหลังก็พุ่งเข้ามาตอนนั้นเขารู้เลย ว, ว่าเขาถูกอัดก็ปี้แนะ่ข้างหน้าก็เป็นรถที่จอดอยู่ข้างหลังก็เป็นรถที่กำลังแล่นเร็วตัวรถของเขานี่ก็จอดอยู่แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าตายแนะ่เพราะว่ารถมันแล่นมาอย่างเร็วเต็มที่เลย ในขณะนั้นเองเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่ามือของเขานี่จับพวงมาลัยแน่นตัวเกรง็งแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้เขาเกรง็งเขาเครียดแบบนี้นี่มานานแล้วมาเป็นสิบสิบปีก็ได้ถ้าจะตายก็ไม่ขอตายในสภาพเช่นนี้ขอตายในสภาพที่ผ่อนคลายแล้วก็เลยเอามือปล่อยเอามือปล่อยพวงมาลัยแล้วก็ทําตัวสบาย รถก็เข้ามาชนกระแทกอย่างแรงดับเยินเลยข้งงาทั้งหลังแต่ปรากฏว่าเขาปลอดภัยตำรวจที่มาช่วยดึงเขาออกมาจากรถนี่ก็แปลกใจว่าปกติถ้ากรณีแบบนี้ก็ต้องตายหรือว่าเจ็บหนักพิการแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยพอเขาลาให้ตำรวจฟังตำรวจก็ ใน เ, เชื่อว่านี่เป็นเพราะว่าการที่เขาทำทำตัวปล่อยตามสบายไม่เกรงไม่ยึดก็ทําให้เขารอดมาได้อย่างปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยคือถ้าเขาเกรงถ้าก็ฝืนนี่มันก็รับแรงกระแทกเข้าไปเต็มที่แต่พอเขาปล่อยแล้วมันก็ว่ามันมันก็เป็นบอกนั่นแรงกระแทกก็เลยไม่ ไม่ไม่หนักหนาอย่างที่เขานึกนหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขาจะใช้ชีวิตแบบตึงแบบเครียดพยายามที่จะเกาะกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจนี้คงจะไม่ได้ล้วเหตุการณ์นั้นก็เปลี่ยนชีวิตเขาตอนหลังเขาใช้ชีวิตแบบแบบสบายมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยกายนะแต่ว่าไม่ได้ มีความเคร่งเครียดเพราะความยึดติดสิ่งต่างๆอีกต่อไปหมายความาว่ายอมรับสภาพสิ่งต่างๆได้เพราะเขาว่าเขารู้ว่าเขาทุกเนี่ยเพราะการที่พยายามที่จะควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจพอและไม่เป็นไปตามใจก็ไม่ยอมพยายามฝืนพยายามพยายามที่จะบังคับให้มันเป็นอย่างที่ต้องการให้ได้ ก็เลยเครียดจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเกือบจะตายด้วยอาการอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของคนซึ่งเขาได้เรียนเนะขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจของตนเองในสภาพที่น่าสิ้หน่าคว้าลุกหรือว่าใกล้ความตายแต่ก็เป็นบทเรียนสอนใจได้ยังดีว่าคนเรา ความทุกข์ความวุ่นวายความสับสนในชีวิตจิตใจมักจะเกินพื้นเพราะว่าความยึดติดความยึดความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปตามใจโดยที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงเวลาความเป็นจริงเกิดขึ้นที่จะทำให้เราเกิดความพลัดพรากสูญเสียบ่อยครั้งเรามักจะฝืนมันเอาไว้ และการที่เราฝืนเอาไว้ก็ทำให้เราปล่อยวางไม่ได้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ท้งที่บางอย่างก็ผ่านพ้นไปแล้วลองพิจารณาดูนะว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปแล้ว หรือว่าที่กาลังจะเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะทำอะไรไม่ได้กับสภาพเช่นนั้นคือบางบางเรื่องบางอย่างเราก็สามารถที่จะควบคุมบังคับช่วยเปลี่ยนแปลงให้ให้มันดีขึ้นได้อย่างเช่นเจ็บป่วยนะเราก็สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้แต่ในระหว่างที่เจ็บป่วยนะถ้าเราไปยึดไปอยากว่ามันจะต้อง ไม่ป่วยนะมันไม่น่าจะป่วยนะอันนี้เราก็ทุกเพราะว่ามันป่วยแล้วเนี่ยจะมาบ่นว่าไม่น่าป่วยเลยป่วยการเปล่าๆปาไม่มีประโยชน์มันเกิดขึ้นแล้วหรือของหายแล้วของหายแล้วนี่จะมาบน่นจะมาพูดยังไงก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันหายไปแล้วจริงอยู่เราสามารถที่พยายามหามันให้เจออันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็มานั่งคิดว่าจะหาให้มันเจอได้อย่างไร แต่ไม่ใช่มากังวลกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือมาทุกข์กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วและในขณะที่จะหามันก็ต้องทำใจด้วยว่าอาจจะไม่เจอก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะหาด้วยความตั้งใจว่าต้องเจอให้ได้ต้องเจอให้ได้มันก็เป็นการทุกข์อีกเหมือนกันอันนี้ทุกข์เพราะอนาคตที่ยังมาไม่ถึง มันสองซ้อนเลยทุกอย่างแรกทุกเมื่อเพราะคลองหายแล้วก็ยังเสียใจกับมันไม่อยากให้มันหายแต่เมื่อมันหายไปแล้วพยายามหาก็ยังอยากจะหายหมันเจอก็ทุกเพราะว่ามันยังไม่เจอสักทีเราทุกเพราะอาดีตแล้วก็ทุกเพราะอนาคตบางทีมันติกๆ ก, กันเลยอ๋อบางอย่าง เมื่อเราทำใจแล้ว เ, เมื่อเวลาป่วยเออมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับส่วนจะรักษาให้ดีขึ้นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ประการแรกต้องยอมรับสภาพก่อนนี่คนเรานี่ถ้ายอมรับสภาพแล้วนี่เพียงแค่การยอมรับมันกู้ช่วยทำให้ดีขึ้นเยอะล้วและบางอย่างถึงแม้ว่าจะ ยังยังปรับตัวปรับใจได้ยากนะแต่ว่ามันก็คนเรานี่ก็มีธรรมชาติอย่างนึงคือว่าสามารถที่จะปรับตัวได้เรื่อยๆจะเรียกว่าปรับตัวได้เร็วก็ได้ถ้าไม่ขัดขืนนะฝืนกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้พอสมควร ้เราลองสังเกตดูเวลาเราไปอย่างเราไปร้านขายสีหรือว่าปั้มน้ำมันความรู้สึกแรกคือมันเหม็นแต่ว่าลองสังเกตนะพวกเด็กปั้มหรือว่าคนขายสีเขาไม่รู้สึกได้กลิ่นเลยเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เวลาอยู่ในที่ใดนานๆใหม่ๆมันก็เหม็นแต่อยู่ๆไปก็ไม่เหม็นละความเหม็นมันหายไปไปบางที่มันร้อนแต่พออยู่ๆไปเออก็กลายเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทุกข์ตั้งแต่แรกไม่ไหวเลยร้อเหลือเกินมันก็จะทุกข์อย่างนั้นไปเรื่อยๆใหความสามารถในการที่จะปรับตัว ให้เข้ากับสภาพที่อยู่ข้างหน้าหรือสภาพความเป็นจริงนี้คนเรานี่มีความสามารถเยอะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์งนั้นบางคนอาจจะป่วยบางคนอาจจะพิการตาบอดเป็นใบหูหนวกแต่ทำไมเขาไม่ได้ทุกข์มากมายอะไรใหม่ๆก็อาจจะทุกข์เพราะว่ายังทาใจลำบาก แต่พอคุ้นพอชินแล้วก็กลายเป็นปกติขึ้นมาบางทีอาจจะทุกน้อยกว่าเราซึ่งเป็นคนปกติมีอาการครบสายสองด้วยซ้ำเพราะว่าเรายังไปยึดไปอย่างยังฝืนยังไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นผิดนัด ลดติดโอ้โหทุกมากเลยในขณะที่คนซึ่งเขาตาบวมหูหนวกเจ็บป่วยหนักเขาก็กับนิ่งสงบได้อันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ของคนเราเนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรเราไม่ยอมรับสภาพหรือว่าเรา สามารถที่จะยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นธรรมดานี่ลองดูนะอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับมันแม้แต่เรื่องเล็กๆในน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้อะไรก็ตามที่เราสวดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยก็สามารถจะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ทะเลาะ ก, กันได้ หรืออาจจะฆ่ากันได้ด้วยซ้ำมีบางคนไปยืมแผ่นซีดีจากร้านร้านเช่ายืมเสร็จเพื่อนไปยืมต่อยืมต่อแล้วก็ไม่คืนไปทวงก็บอกว่าคืนไปแล้วเขาก็เลยไม่มีแผ่นซีดีไปคืนร้านเช่าก็ทุกกำมัน เป็นวันๆเลยทั้งโมโหเพื่อนนะทั้งกลุ่มใจว่าจะทำยังไงดีธรรมาก็เลยถามว่าแผ่นซีดีมันเท่าไหร่บอกสองร้อยบาทอีกนะจริงไม่ถึงสองร้อยแต่ว่าราคาสูงสุดก็สองร้อยสอง้อยก็ไม่ก็ไปยากอะไรนะก็ไปบอกกับทางร้านว่าทำหายให้เขาปรับไปนะแค่นี้ก็จบ แต่ทำไมต้องมาทุกนะเป็นวันวันนิมในทุกเป็นวันทุกเป็นอาทิต์เลยนะกับแผ่นซีดีแค่สอ0รเพราะใจนิยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ไม่นึกต่อไปว่าเออหายก็แค่ถูกปรับหรือถ้าไม่ไปคืนเขาไม่ไปแจ้งว่าหายก็ไปยืมต่อไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่การที่เราไปไปติดยึดกับ ความคิดว่ามันต้องไม่หายมันต้องไม่หายมันไม่น่าหายทำไมถึงต้องเป็นเรานะทำไมต้องเป็นเรานะจะคิดแบบนี้เนี่ยก็แผ่นซีดีแค่ไม่กี่บาทก็ทำให้นอนไม่หลับนะกุ้ม อ, อกกุ้มใจได้แต่บางคนอยากหนักกว่านั้นนะไม่ใช่แค่แผ่นซีดีแค่มีมีสิวไม่กี่เม็ดนะก็กุ้ม อ, อกกุ้มใจเพราะไม่อยากให้มันมีแต่มันมีขึ้นมาแล้วจะทยังไง ก็ยังฝืนความจริงไม่อยอมรับความจริงกลุ้มหลอกกลุ่มใจว่ามันไม่น่ามีเลยเพื่อนก็ล้อเพื่อนก็หยอกยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มก็ยิ่งคิดถ้ามีคนที่ฆ่าโดดตายเพราะแค่พอมีสิวนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะวัยรุ่นเพียงแค่เรื่องไม่เรื่องเล็กในน้อยเงิ น, น, น, น, นไม่กี่บาทแต่ถ้าเราไม่อยอมรับความเป็นจริง ว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นทำไมต้องเกิดขึ้นใจก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันจนกระทั่งไม่เห็นอะไรเลยโลกทั้งโลกมีแค่ความทุกข์ของเราเพราะเรื่องเล็กๆในน้อยเท่านั้นเรื่องเล็กๆในน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เมื่อใจเราหมกมุ่นกับมันเหมือนกับเราขุดลุมอะขุดลุมตอนที่หลุมตื้นๆนินเราก็ยังเห็นอะไรได้ ก, กว้าง เรายืนอยู่ในหลุมแต่หลุมมันลึกแค่ฟุตเดียวเราก็ยังเห็นอะไรได้ <c oughs> เห็นฟ้าเห็นสถานที่ต่างๆรอบๆแต่พอเราขุดหลุมลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยจนกระทั่งลึก2เมตรทีนี้เราไม่เห็นอะไรแล้วเราเห็นแต่แต่หลุมนะมองไปข้างบนก็เห็นแต่ฟ้าเป็นวงเล็กๆ แต่รอบตัวไม่ไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นทัศนียภาพมันหนงแค่หลุมหรือผนังของหลุมซึ่งห่างจากจมูกเราอาจจะแค่ฟุตเดียวตามันแคบแล้วก็สายตาก็สั้นลงไปเรื่อยๆอันนี้อาการที่เราไปหมกบุ้นคุ้นคิดจมกับมันเพราะความที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะความยึดเอาไว้ ไม่ยอมรับไม่ยอมทำใจพู้อย่างนี้ไม่ได้ไหมาความว่ามันเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรือว่างอมืองอเท้าพรูเจ้าก็แนว่ว่าอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำแต่ระหวังที่ทำก็จะไปคาดหวังผลว่ามันต้องเป็นไปตามใจเราเพราะว่าผลนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยั้งหลายอย่างขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะขึ้นอยู่กับเพื่อร่วมงานขึ้นอยู่กับเจ้านายขึ้นอยู่กับอุปสรรคปัญหาต่างๆเราเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นการกระทาเป็นของเราแต่ผลหรือความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของตถัตตาส้าพสิจิงออก การกระทำเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้ามันไม่ใช่เรื่องงมงานแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยหลายอย่างเราจะปลูกต้นไม้ซักต้นเราทาได้อย่างมากคือการลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยฤิกิ่งที่เหลือนองนั้นไม่อยู่ในอหนาจของเราเลยเช่นฝนแดดความชื้นแมลง รวมทั้งคนซึ่งไม่รู้เป็นใครอาจจะมาตัดอาจจะขับรถมาชนทั้งหมดเหล่านี้มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมบังคับได้เลยให้ลองสังเกตดูแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้ให้ได้ผลความสําเร็จที่ต้นไม้ออกดอกออกผลได้ก็เป็นเพราะฟ้าหรือเป็นเพราะเหตุปัจจัยหลักหลายซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าตถตาเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเอง นั้นเวลาเราทําอะไรก็ต้องทําเต็มที่แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับผลว่าจะต้องเป็นไปตามใจเราทั้งหมดนี่มันโยมมาสู่เรื่องการปฏิบัตนะิเพราะการปฏิบัตินี่เราต้องฝึกใจให้ยอมรับความเป็นจริงด้วยนะว่ามันอาจจะไม่เร็วมันอาจจะฟุง้งมันอาจจะเครียดสติของเราไม่ไหวพอ ก็ทำให้ฟุ้งอยู่บ่อยๆทำให้ปรุงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะเครียดนะเพราะว่าจะไปพยายามบังคับจิตไม่ให้มันคิดไม่ให้มั น, มมนฟุ้งแล้วเมื่อมันฟุ้งก็เครียดเครียดแล้วก็ไม่รู้ทันความเครียดไม่ยอมรับความจริงว่าเครียดไม่เห็นความเครียดแ้วเข้าไปในความเครียดก็ดงดจิตเข้าไปใหญ่นะ ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงจะไปฝืนความจริงไม่ได้ต้องทำตัวเหมือนกับคนที่อยู่ริมตะลิ่งและเห็นสายน้ำสายน้ำมันจะไหลเร็วหรือช้าหน้าที่ของเราคือดูแค่นั้นหรือเหมือนกับเราอยู่ที่ชายหาดมองไปที่ทะเลเห็นคลื่นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่ มันมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นมาแล้วก็ลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปหน้าที่งเราคือสังเกตมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องลงไปโต้คลื่นไม่ต้องลงไปโต้คลื่นมันเปียกเหนื่อยนะขึ้นมันจะมากี่ลูกเราก็เห็นเห็นมันขึ้นแล้วก็ลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปหน้าที่งเราเป็นอย่างนั้นจะไปบังคับลูกคลื่น ว่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดเป็นไปไม่ได้จะบังคับสายน้ำให้ไหลเร็วหรือใ ห, ให้ไหลช้าลงก็เป็นไปไม่ได้จะลงไปทำเขื่อนกักสายน้ำอาไว้ไม่ให้มันไหลเร็วนะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราก็มีแค่สองมือเท่านั้นนั่นก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับใจของเรานะก็ต้องฝึกให้เป็นผู้ดูเฉยๆนะมันจะเป็นอย่างไรนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่แน่และเราก็ต้องมีความเพียรสร้างเหตุปัจจัยนะั้นให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลนั้นมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่าง ที่ไม่อยู่ในอำนาจเราจะควบคุมบังคับได้เช่นใจของเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้สิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราก็คือการพยายามรู้ตัวอยู่เรื่อยๆรู้ตัวอยู่เรื่อยๆที่เหลือนอกนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยฝ่ายจิตนะซึ่งเราควบคุมไม่ได้ มันยังขึ้นอยู่กับผู้คนขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะทั้งหมดนี้ต้องมารวมกันพอดีถึงช่วยการปฏิบัติของเราสำเร็จผลได้หรือว่ามีความก้าวหน้าังนั้นก็คาถาที่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นรานี้ก็ยังจาเป็นนะถ้าเราทำเช่นนี้เราก็จะปล่อยวางได้เรื่อยๆได้มากขึ้น แล้วก็เราก็อาจจะพบว่าเออในสุดนี่มันก็เกิดผลได้เหมือนกันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้เหมือนกับเรื่องของสองคนคนที่เครื่องีินจะตกแล้วแต่ว่าปพวกว่ามันก็กลับติดสตาร์ทเครื่องใหม่ได้หรือรถที่ถูกกระแทกอาจาก็เปียงแรงแต่ว่าก็รอดมาได้เพราะการที่ทำใจ ปล่อยวางอันนั้นเอง